ใช้กรรมภาคสองผ่านพ้นวิกฤตมาได้เพียงสามอาทิตย์ก็ต้องเผชิญกรรมเศษกรรมต่อเนื่องแต่ครั้งนี้ไม่ดูเดือดเท่าครั้งก่อนหลังจากออกจากโรงพยาบาลข้าพเจ้าก็มีความผิดปกติคือมีเลือดซึมๆมออกมาตลอดเวลาไม่ทราบว่ามาจากมดลูกหรือกระเพาะปัสสาวะเป็นอยู่นานสามอาทิตย์ก็ไม่หยุดสัที วันที่13ากุมภาพันธ์บรรยายอบรมนักเรียนเสร็จก็บอกว่าครูจะต้องไปหาหมอและฝากงานไว้กับทีมงานหมอตรวจเช็คพบว่ามีเนื้องอที่กระเพาะปัสสาวะแต่เพิ่งงอกออกมานิดเดียวจึงให้กลับบ้านก่อนแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าช่วงนั้นว่างงานอบรมพอดีจึงบอกหมอว่าแอดมิทเลยหมอย้ำว่าถ้าแอดมิทตอนนี้คือประมาณเที่ยงคืนห้าโงเย็นผ่าเลยนะ ถ้าพระเจ้าตกลงทันทีแล้วโทรไปบอกทางวัดให้หาคนมานอนเป็นเพื่อนและจัดเสื้อผ้ามาให้ด้วยพอดีนึกขึ้นได้ว่าได้นัดท่านปิ๋วไว้ว่าวันที่สิบเจ็ดจะไปกราบหลวงตาจึงโทรไปเรียนว่าอาจต้องเลื่อนนัดเพราะต้องผ่าตัดอีกท่านปิ๋วถามว่าเมื่อไหร่เรียนท่านว่าวันนี้ค่ะตอนห้าโมงเย็นไม่ต้องกราบเรียนหลวงตาหรอกเกรงจะเป็นการรบกวนท่านวันรุ่งขึ้น ประมาณตอนเพลงท่านปิวเมตตาโทรมาถามอาการแล้วบอกว่าได้กราบเรียนหลวงตาว่าคุณจะผ่าตัดตอนห้าโมงเย็นพอถึงเวลาสี่โมงเย็นหลวงตามองนาฬิกาแล้วพูดว่าเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะข้าพเจ้ามีความปลาบเลื่อมปีติในความเมตตาขององค์หลวงตามากมั่นใจว่าท่านเมตตาดูแลเราจนถึงที่สุดไม่วางเลยการผ่าตัดครั้งนี้จึงผ่านฉลุย ข้าพเจ้าไม่มีทุกขเวทนาใดๆเลยไม่ว่าจะก่อนผ่าตัดที่ห้องฉีดยาบล็อกหลังหรือหลังผ่าเมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วทั้งๆที่หมอเตือนไว้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างเรียนท่านปิวว่าเหมือนมา น, นอนเล่นที่โรงพยาบาลเนื้องอกกับคุณใสเกี่ยวข้องกันไหมเนี่ย การป่วยเป็นเนื้องอกกับการถูกคุณใสไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยเพราะเนื้องอกเกิดจากความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล์ไม่ใช่เพราะมีใครเสกเนื้อเข้าท้องสักหน่อยแต่กรณีของข้าพเจ้าไม่รู้มันไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากผ่าตัดเนื้องอกออกมาได้หนึ่งอาทิตย์ข้าพเจ้าก็ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดก้อนๆลิ่มใหญ่ๆสองรอบรอบละสามขันใหญ่ช่วงเย็นสามขัน ช่วงเช้าอีกสามขันที่ใช้มาตรวัดเป็นขันก็เพราะพอเห็นความผิดปกติว่าปัสสาวะออกมาเป็นเลือดก็เลยเอาขันมารองเพราะอยากดูให้ชัดๆวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หมอนัดเพื่อติดตามผลพอดีพอเล่าอาการให้คุณหมอฟังคิดว่าคุณหมอจะตกใจกลับบอกว่าดีดีแล้วก็ไม่ได้อธิบายว่ามันดีอย่างไรข้าพเจ้าก็ขี้เกียจถามเพราะหมอบอกว่าดี ก็ดีกว่าไม่ดีใช่ไหมอีกสามวันต่อมาผู้หวังดีที่เชื่อว่าข้าพเจ้าถูกคุณใสเพราะท่านเองก็เคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อนก็พาข้าพเจ้าไปพบบุคคลหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแก้คุณใสเพื่อตรวจเช็คให้แน่นอนว่าของออกหมดหรือยังวิธีการของท่านผู้นี้ไม่มีพิธีกรรมใดๆเลยใช้สมาธิจิตล้วน พอกำหนดจิตเสร็จท่านก็ถามข้าพเจ้าว่ามีเลือดออกมาใช่ไหมไม่ต้องตกใจของกาลังออกแล้วก็จะมีเลือดออกมาอีกเพราะมันยังออกไม่หมดข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจเพราะยังไม่ได้เรียนท่านเลยว่าปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคิดว่ามันเป็นผลพวงของการผ่าตัดเนื้องอกไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับคุณใสเลยแล้วท่านก็อธิบายต่อว่า คุณใส่ที่โดนเนี่ยเป็นวิชาเขมรเขาทาก้อนเลือดมาใส่เราไว้ห้าก้อนตอนเนี้ยออกไปแล้วสามก้อนก้อนเลือดเนี่ยหากมันวิ่งขึ้นด้านบนของร่างกายได้จะต้องตายถ้าหากไม่ตายก็จะเสียสติอย่างเอาคืนไม่ได้เลยงานเนี้ยเขากะเอาถึงตายนะท่านบอกว่าวิชาแก้ที่ท่านเรียนมาก็เอาไม่อยู่ไม่สามารถแก้ได้ท่านจึงรำพึงแล้วรำพึงอีกไม่รู้กี่รอบว่า ลูกมันมีบุญที่หลวงตาบัวช่วยไว้เพราะถ้าไม่ใช่ระดับหลวงตาก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วอยู่ๆข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงคุณตานาคที่ทักไว้ก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันว่ามีคนทำคุณใสขมสิ้นใสมีก้อนกลมๆอยู่ในท้องห้ามผ่าตัดเด็ดขาดเพราะพิษจะกระจายไปทั่วตัวแล้วต้องตายในที่สุดทางแก้มีเพียงให้พระที่มีภูมิธรรมสูงสลายให้ตามที่ข้าพเจ้าได้เล่าไว้แล้วในตอนตอน้น บทสรุปข้าพเจ้าจะไม่ขอสรุปหรอกว่าตกลงข้าพเจ้าโดนคุณใสหรือป่วยเพราะความผิดปกติของร่างกายธรรมดาไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามสภาพที่ปรากฏคืออาการปางตายหรือเฉียด ต, ตายก็ว่าได้ที่รอดมาได้ก็เพราะเมตตาบารมีขององค์หลวงตามหาบัวแท้เมื่อได้ชีวิตใหม่ข้าพเจ้าจึงมีความสังวรระวังมากขึ้น มุ่งมันสร้างความดีโดยไม่ยอ่อท้อเพราะจิตจะคอยเตือนอยู่เสมอว่าหลวงตาเมตตาช่วยชีวิตเราเพื่อให้โอกาสเราได้สร้างความดีเพิ่มไม่ใช่ให้มาทำความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องทำประโยชน์และรับใช้พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละและทุ่มเทบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าเหนื่อยกับงานพอคิดจะท้อก็ต้องรีบหยุดเพราะเมื่อระลึกถึงองค์หลวงตา ก็ให้นึกละอายใจว่าเราอายุเพียงเท่านี้คือแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของหลวงตาจะมาบ่นเหนื่อยทำไมท่านยังไม่เคยท้อให้เราเห็นเลยท่านสงเคราะห์โลกทั้งด้วยธรรมและวัตถุโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเพียงเฝ้าดูภารกิจแต่ละวันของท่านก็ยังเหนื่อยแทนนึกอัศจรรย์ว่าด้วยวัยขนาดนี้ท่านทาได้อย่างไรตอนเช้าหกโมงครึ่งก็ลงมาที่ศาลาแล้วเพื่อให้ธรรมะ สนทนาปราศัยและโมทนากับผู้มาทมบุญซึ่งเราจะได้ยินคำว่าพอใจพอใจวันละไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนอกจากนี้คำว่าเอา้าเราให้มักจะตามมาด้วยเสียงแซ่ซ้องว่าสาธุกึกก้องสาลาเพราะเราให้แต่ละครั้งคือการอนุมัติเงินซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหลักล้านเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์บ้างรถพยาบาลบ้างอาคารบ้าง ที่ผู้แทนจากโรงพยาบาลหรือจากหน่วยงานต่างๆมาขอความเมตตาเกือบจะทุกสัปดาห์การอนุมัติแต่ละครั้งหลวงตาใช้เวลาพิจารณาเพียง 2- อถึงสอึดใจเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการอนุมัติรายย่อยให้แก่ชาวบ้านที่หมดที่พึ่งมาขอค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะเกี่ยวกับผ่าตัดตาที่มองไม่เห็นให้กลับเห็นได้ใหม่โดยหลวงตาจะถามก่อนว่าถ้าผ่าแล้วจะมองเห็นอีกแน่นะถ้ามีโอกาสท่านจะสงเคราะห์โดยไม่ลังเล นอกจากให้ค่าผ่าตัดทั้งหมดแล้วยังแถมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางไปรักษาอีกเมื่อเสร็จกิจวัดที่สาลาช่วงเช้าแล้วท่านแทมไม่ได้พักออกเดินทางไปส่งเคราะหโรงพยาบาลและวัดต่างๆทั้งที่ใกล้และไกลเดินทางไปกลับในวันเดียวบางแห่งระยะทางไปกลับเกือบ1000กิโลเมตรหากเป็นช่วงที่ท่านพำนักที่สวนแสงธรรมกลับมาถึงตกค่ำ ก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมอีกทุกเวลานาทีทุกลมหายใจท่านทำเพื่อโลกเพราะองค์ท่านเองไม่ต้องการอะไรอีกแล้วท่านพูดอยู่เสมอว่าวัดป่าบ้านตาดมีแต่แร์ไม่มีกรรมได้เท่าไรออกหมดออกหมดจริงๆดังที่ท่านพูดเมื่อประมาณต้นปี2551ปรากฏว่าเงินในบัญชีวัดป่าบ้านตาดเหลือติดบัญชีอยู่ 2-3 บาท ลูกศิษย์ลูกหาที่ทราบข่าวจึงได้โอกาสสร้างทานบารมีครั้งใหญ่ด้วยการเพิ่มเติมปัจจัยในบัญชีเพื่อให้หลวงตาได้สงเคราะห์โลกต่อไปส่วนบุญกุศลนั้นเล่าท่านยังต้องการอยู่หรือท่านจะเอาไปทําไมในเมื่อท่านอยู่เหนือบุญและบาปแล้วท่านกล่าวว่าเราไม่หวังอะไรอีกแล้วในโลกนี้เราทําทุกอย่างนี้เราทําเพื่อประโยชน์ให้โลกต่างหากสงสารโลกเราทําเพื่อโลกเราไม่ได้ทําเพื่อเรา เราพอแล้วเราไม่หวังอะไรในโลกนี้ตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่เป็นชาติสุดท้ายของเราหลวงตากล่าวไว้ดังนี้นี่คือเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ของท่านแล้วพวกเราละ่ะบุญกุศลก็ยังกระพร่องกระแพงยังดิ้นรนอยู่ในกองทุกข์ในเมื่อเราโชคดีนักหนาได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา รมเย็ยนอยู่ในบารมีธรรมขององค์หลวงตาจะมัวประมาทอยู่ทำไมหากท่านต้องตายไปเดี๋ยวนี้จะโชคดีได้พบความอัศจรรย์ดังที่ข้าพเจ้าได้พบหรือแม้ข้าพเจ้าเองก็เชื่อว่าความอัศจรรย์ที่ประสบในครั้งนี้คงไม่มีอีกแล้วหากยังต้องเกิดต้องตายอีกก็ขอให้เป็นการเกิดตายที่มีคุณค่าดังที่องค์หลวงตาได้ให้อว่าธำไว้ว่าเกิดแล้วตายเล่า ตายแล้วเกิดเล่าก็ไม่ผิดอะไรกับวัตถุต่างๆที่เกิดที่ตายกันเกลื่อนโลกอันนี้ถ้าไม่ส่อแสวงหาสารธรรมเข้าสู่จิตซึ่งเป็นสาระสำคัญคือการปรับปรุงจิตของตนให้เข้าสู่ระดับอันควรสัมผัสสัมพันธ์ธรรมแท้ได้ด้วยการปฏิบัติเสดแ ต, ต่บัดนี้บทความโดย ดอกเตอร์ตุกหรือดอกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมเสียงอ่านโดยโจโชโ